วันนี้เป็นวันที่สทธันวาคมพุทธศักราช2556ร้อยกวันพุ่งนี้เป็นวันสำคัญยิ่งเป็นวันที่หทธันวาคมเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสมภพและทรงประสูติวันเกิดของในหลวงพูดแบบภาษาแบบเข้าใจได้ง่าย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 แล้วก็ถวายเป็นพระราชฎกุศลพร้อมกับพระบรรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสถาบันพระมหากษัตริย์ให้อยู่คู่กับพระพุทธศาส น, นานานเท่านานพระพุทธศาสนาของเราดํารงทรงอยู่ได้เพราะว่ากษัตริย์เป็นผู้อุปถัมเป็นผู้ เ, เกื้อกูลหนุน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 คนในยุคใดสมัยใดให้ความสําคัญในยุคนาสมัยนั้นของนั้นก็เลิศประเสริฐอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมเพียงกระดาษเขาให้ความสมําคัญว่านี่คือเงินเพียงแค่นั้นล่ะคนทั้งหลายก็ตาโตฆ่ากันไม่รู้เท่าไหรเท่าเท่าไรเพราะเงินเพียงกระดาษก็ให้ความสมมุติกันขึ้นมาแต่ตามไม่จริงกระดาษก็มีตั้งเยอะแยะ แต่ว่ากระดาษนี่มีคุณค่ากระดาษแบบนี้มีคุณค่าความให้ความสมมตุติจากนั้นก็คนทั้งหลายก่อน่ะติดในจุดนั้นอแต่ว่าบางยุกบางส ม, มัยก่อนไม่ให้ความสําคัญนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกัน่ะโลกอันีั้นมันโลกอันนี้จังโลกที่ของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปว่ายุคนั้นส ม, มัยนี้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 พอไรในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเปกขาจะมีล้างท้ายาอุเปกขาคือความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติแต่ต้าวามีแต่เมตตาอย่างเดียวพวกเราก็คงจะทุกข์กับคนอื่นทั้งวี่ทั้งวันทั้งพบทั้งชาดติดในหลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามีเอ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 พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของเราเนี่ยพอที่เราจะรักษาได้เราก็รักษาแต่สุดวิสัยหมอประสุดวิสัยใครเขาว่าสุดวิสัยแล้วจะทำยังไงมีแต่นั่งคอยดูนะทำตาพิปปิบ ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปดิดูเท่านั้นมันสุดวิสัยถึงคราวมันสุดวิสัยมันมีในโลกเนี่ยเพราะนั้นโลกใบนี้นทำยังไงตัวเองก็เหมือนกันไม่ใช่สุดวิสัยแต่คนอื่นเขา ตัเองก็ต้องอีกสักวันหนึ่งเราก็ต้องสุดวิสัยอีกเหมือนกันอเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทสรุปแล้วให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถึงข่าวนั้นขึ้นมาแล้วเอตนเองนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของตนใจของเราจะเป็นที่พึ่งของของตนเองใจของเรานะั่นะนะต้องมองดูใจของเราละท่านนอ่ไม่ต้องมองดูใครอื่นนะ่ะ มองไว้อื่นมันก็สุดวิสัยของเขาแล้วเหมือนกับเราจะจมน้ำตกในบ่อกว่าเขาจะหาอะไรไมาช่วยมาช่วยไม่ได้เราต้องดูตนเองเท่านั้นแหละป่านนี้กำหนดดูใจของตนเองเ่อย่าให้ใจของเราก็เพื่อมใจของเราเน่งใจของเราให้เป็นสมาธิใจของเราให้เกิดปัญญาใจของเราให้พิจารณา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 นี่แหะถึงเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็เทอะต่อไปภายภาคหน้าใจเอ้ยใจพอรู้ไอ้รูนะเ้เรายังจะติดอยู่เหรอเราจะติดสุขอย่างนี้อยู่เหรออันนี้มันสุขแล้วมันทกนุกข์ไง ใ, ในเมื่อเราเห็นทุกข์ขังอธินนจังเต็มตัวของเราเราก็ต้องปล่อยวางในจุดนั้นนะ่ะทิ้งพรัวเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยนั่นะแหละคราวนั้นแหละใจของเราจะ รู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงบางคนก็เห็นในในาทีสุดท้ายอย่างนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราให้ฝึกเอาไว้ให้ฝึกคิดเอาไว้มันจริงไหมมันจะเป็นต้องจริงๆอย่างนั้นแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นขอแต่ว่าข้อสำคัญเมื่อเวทนาเข้ามาบีบคั้นมากๆนะนะมันจะละเมอเพ้อไปไเลยไปเลยเลือนลางไปเลยพอเวทนามันบีบแต่ทิ้งยังไงก็จะ แต่นาทีสุดท้า ย, เ, ยเวทนาแมนก็คงจะให้โอกาสเมือนกันนะเพราะมันมันออกจากใจมันจะออกจากรากได้นี่มันจะบีบไปที่ไหนอีกมันบีบ ไ, ได้แต่กายเท่านะั้นใจมันก็ต้องออกมาดูท่านะดูธาตุขันของตัวเองจากนั้นก็ดูใจใจไม่เข้าไปยึดไปถือใจไม่เข้าไปยึดมั่นถือมันในร่างกาย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 เพราะนั้นฝึกเอาไว้ฝึกคิดเอาไว้ในจุดนี้เพราะมันจะต้องถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ไม่ไมไมวันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทั้งนั้นมีใช่ว่าเราเอาเรื่องที่ความตายหรือว่าสิ่งที่เร า, เ อ, าอนาคตที่เรามองไม่เห็นเอามาพูดกันไม่ใช่เราต้องวางแผนแะวางแผนชีวิตของเราเอาไว้ก่อน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 ว่าร่างกายในเป็นตัวตนของเราจริงๆแต่อีกสักวันหนึ่งนั่นแหละตนน้นนาทีสุดท้ายก็ยังถอนไม่ขึ้นอีกเพราะไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้คิดล่วงหน้าไว้ให้คิดไว้แต่เนิน่นๆว่าพิจารณาไว้เลยพอบวชเข้ามาเนี่ยพอเข้ามาสู่กรรมฐานของพระพุทธเจ้าท่านบอกเลยเกสาผมลงมาค น, นัาขาเล็บทันตาฟันตะโจหน สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นกฎอันดัจังทั้งหมดพอมาพูดถึงจุดนี้ก็ลําลึกถึงที่สุภะะสุภะะที่ถามปัญหาพระพุทธเจ้าที่วันจะปรินิพานแต่ดูๆแล้วก็ปัญหาของสุภะะนี่ก็ถ้าเรามองดูแล้วก็เป็นปัญหาที่เห็นเห็นอยู่แต่ทำไมสงสัยนี่แหละ ความขี้สงสัยของคนมันแปลกจริงๆนะนำมาพิจนารณาดูแล้วอันนี้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณพอเดินออกมาเดินออกมามาเห็นสุพัท ธ, ธ์คือนักปวดนอกศาสนาเดินมาเจอกันพอมันเจอกันแต่หลวงพ่อเองก็ไม่มั่นใจว่าสุพัท ธ, ธะนี่ได้ยินว่าเป็นตระกูลของศากยะนะ เพราะว่าทิฐิไม่ใช่ธรรมดาสากยะนยะแต่ที่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าเดินมาด้วยความสง่าผิวพรรณวันนะผ่องใสเห็นแล้วอู้สมณะนี่หน้าเคารพนับถือเรื่อมใสก็เลยถามท่านสมณะท่านทำไมร่างกายของท่านผ่องใสสวยงามมาก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 ใส่หัวเราไปเลยไปคาานละทางกันพระองค์ก็ไม่ได้ว่าเลยพระองค์ก็เดินไปเพื่อจะไปโปรดปัญจวคีรีทั้งห้า แ, แต่ในสุปทานเนี่ยก็เป็นนักบวชนอกาศาสนาก็ถามไปถามไปถามไปถามปัญหาที่ข้องในใจจนถึงครั้งสุดท้ายนี่ที่เมืองกุศินาราที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานแต่พระองค์ก็อายุ80ดปีแล้วเนี่ย เมื่อปรินิพานแต่สุภทาเนี่ยคงจะแก่อีกเหมือนการหนนะึ่งขนาดนั้นแหละแต่เด็กเอ้เราไม่ไปถามสั ม, มณะโคโดมเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเสียใจเมื่อภายหลังนะนะั่นเองคําห้องใจของเราเราถามนักบวชนอกศาสนานี่มามากต่อมานะ น, นักบวชผู้เท่าอแต่ที่เราไม่เราไม่อยากจะถามมันนักบวชหนุ่มอะนักบวชหนุ่มก็คืออนักบวด ที่พระพุทธเจ้าองจะหนุ่มกว่าน่ะหนุ่มกว่าสุภัทะนี่ยน่ะคือเด็กกว่าหนุ่มกว่าน่ะไม่อยากจะถามเด็กกว่าหนุ่มกว่านะแต่ถามพระพูเทเจ่าก็ไม่ได้เออไม่ได้ไม่ไม่ได้ความเหมือนกันถามแล้วไม่เข้าใจตอบไม่ไม่ตรงประเด็นลักษณะอย่างงั้นแ่ะเอเหมือนกับเราอยากจะได้อนมวัวไปเป็นริดเออไปนมไปริดนมที่เขาวัวลักษณะอย่างนั้นน่ะ มันไปถามคนที่ไม่รู้จะไปรู้ได้ยังไงฮะทีนี้ก็เอ๊ะถ้าเราไม่ถามในสัมโโมนโครมเนี่เราจะเสียใจเมื่อภายหลังน่นเออันนี้พระพุทธองค์จะปรินิพานในในคืนนี้แล้วเนี่ยสุปัทก็เลยเข้าไปเข้าไปพระสทรงก็บอกว่าสุปัทจะเข้ามาถามปัญหานี่ยพระนอนนก็ห้ามเอาไว้อย่าเข้ามาพระพองค์ อทรงเพียบประการหนักแล้วอยาเข้ามาแต่ั้นเกิดดันเข้ามาอยากจะเข้ามาถามปัญหาผมขอถามปัญหาแต่นนี้ขนาดพระอนนท์กับสุปัฏกําลังสนทนากันอยู่ mm. พระองค์บอกว่าอานนท์ให้เขาเข้ามาเถอะที่เรามาที่นี่กันเนี่ยเพื่อเขานี่แหละอเพื่อสุปัฏฐ์เนี่ะให้เขาเข้ามาพระอนนท์ก็เลยปล่อยให้เขาเข้ามาเข้ามาในในม่านนี่ค่อยๆกับเป็นผ้ากั้น่ เข้ามาในภาคันสุพัทธ์ก็ถามเนียถามปัญหาปัญหาสามข้อเนี่ยปัญหาสุพัทธ์ถามสามข้อข้อแรกบอกว่าลอยสัตว์ในอากาศมีไหมเนี่ยถามได้ยังไงเนาะดูๆแล้วพิจารณาดูเลยลอยสัตว์ในอากาศมันจะมีได้ยังไงมันบินไปแล้วก็แล้วก็เห็นเห็นอยู่นี่ยลอยสัตว์ในอากาศมีไหมพระเจ้าข่า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 แนวอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมรรคสมุทัยเหตุให้เกิดทุกอะไรคือเหตุให้เกิดทุกขจากนั้นก็เทศให้ฟังสุภะทะได้สําเร็จพระอนาคาคณะที่ฟังจากนั้นบาเพ็ญต่ออีกได้สําเร็จเป็นพระรหัเยียกว่าเป็นพระรหันญคนจุดท้ายท้ายสุดที่พระพุทธเจ้าได้ แสดงทําให้ฟังเลยคือสุภัทระนะแต่ว่าท่านก็ว่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเป็นบุพกรรมกรรมเก่าของสุภัทระคือโกนธัญญานะเป็นสองพี่น้องกันกับสุภัทระโกนธัญญาเนะี่ยเวลาทําบุญอะไรรีบทำเวลาจะทําบุญเนี่ยก็ทำท ำ, ทำทานถึง9้าครั้งเหมือนกันคือเป็นเศรษฐีเป็นขา่าพอดีที่ทํารวยจะตก伽เนี่ยก็ทำบุญครั้งหนึ่ง เวลาจะดำหน้ากระตกแล้วก็ทำบุญอีกครั้งหนึง่ง เ, เวลาดำเสร็จแล้วก็ทำบุญอีกครั้งหนึง่งทำบุญทั้งเก้าครั้งจนถึงเก็บเกี่ยวอันนี้ก็คือแล้วก็ปรารถนาขอให้ได้สาเร็จมักสำเร็จผลก่อนเพื่อนแต่สุภัทธาเนี่ยทำบุญเก้าครั้งแล้วรวมทำบุญครั้งเดียวเลยครั้งสุดท้ายเลยเก็เลย ทำบุญขอท่านให้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเอครั้งสุดท้ายอันนี้ก็คือในตําราหรือว่าในพระไตรปิฎกท่านพูดเอาไว้อย่างนั้นนะคือความปรารถนาคนหนึ่งอยากจะได้เร็วคนหนึ่งอยากจะได้ช้า เ, เหมือนกับบางคนของเราทุกยุคยุคสมัยนี้นะอือก็ได้ยินเหมือนกันกเพออพูดจะไปนี่พานก็ไปแล้วข้าจะตามหลังไปที่หลังคนสุดท้ายนั่นแหละผนน่ะ อย่างนั้นก็มีเหมือนกันฮะแสดงว่าคนเรามันนาน า, น า, นาจิตตางนานาทัศนะจริงจริงนะนี่แหละอันนี้ก็คือพูดถึงสุภัททะที่มีปัญหาที่จะถามพระพุทธเจ้าดูดูแล้วก็ปัญหาค้างใจของคนมาพิจารณาดูแล้วแต่พอเราคิดอยูเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาที่หนักหนาแต่ว่ามันก็ค้างในจิตใจของคนนานทีเดียว ว่านั่นนะจะว่านานาจิตตานานาทัศนะจริงๆฮิในความคิดเห็นฮพราะ น, นั้นพวกเราอะไรก็ตามมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นต้องหาเหตุผลขนาดได้ขนาดถึงมันไม่ได้ทุกอย่ากลําบากอะไรก็ยวนก็จบกันไปเท่านั้นน่ะจะไปถืออะไรนกมันจะบินอยู่ในอากาศมันจะมีรอยทําไมมันลอยก็จะได้ประโยชน์อะไรเรารู้หรือไม่รู้มันได้อะไรฮก็ไม่เห็นได้อะไร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 หลวงพ่อว่าเออพวกเราภาวนาเนออยู่ในวัดเนอร์เนี่ยก็ให้ต้กตั้งใจเพราะชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่ใช่ของสนุกสนานนะสนุกสนานไปกระเท่านั้นล่ะได้อะไรคิดดูสิมันได้อะไร เ, เพราะนั้นประกอบคุณงามความดีนะ่ะเลิศประเสริฐที่สุดนะอตอนนี้ไปนั่งภาวนานะวันนี้นะให้ครบพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานั่งภาวนาเพื่อ อาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภพร บ, บรมราชินีพรบรมวงศานงุงบสถทุกพระองค์